ปจจิวันพิกุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ6ก3 1. กพิกุณีไม่จงใจสองพิกุณีไม่มีสติ 3. าพิุณีผู้ไม่รู้ 4. ี่พิุณีผู้ไม่ยินดี 5. พิกุณีวิกลจริต 6. พิกุณีจิตฟงสั้น7จพิกุณีกระสับกระสายเพราะเวทนา 8. พิกุณีต้นบัญยัติปาราชิกศิขาบทที่หนึ่ง